วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2566เป็นวันที่มีการแสดงธรรมที่หน้ากุติแห่งนี้ปกติจะมีการแสดงธรรมทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ วันพระและวันหยุดราชการตั้งแต่เวลาประมาณบ่ายสองโมงเป็นต้นไปก็จะมีการพูดคุยธรรมะกันแสดงธรรมให้สาธุชนผู้ที่มีความสนใจที่อยากจะศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของพระพุทธศาสนาเรื่องราวของพระพุทธเจ้า จะได้มาศึกษาได้มาเรียนรู้เพื่อที่จะได้เอาความรู้ที่ได้เรียนรู้นี้มาทำประโยชน์ให้แก่จิตใจของตนเพราะว่าความรู้ทางพระพุทธศาสนานี้มีไว้เพื่อพัฒนาจิตใจสร้างความสุขทางใจ ระ ด, ดับความทุกข์ทางใจให้แก่ผู้ที่ได้ศึกษาและน้อมนำอาไปปฏิบัติถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะได้รับผลของการปฏิบัติก็คือความทุกข์ภายในใจก็จะหมดไปตามลำดับจนหมดสิ้นไปจากใจ และความสุขทางใจก็จะมีเพิ่มขึ้นไปตามลําดับจนเป็นความสุขที่เต็มเปี่ยมภายในหัวใจเป็นความสุขที่ยั่งยืนที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือสิ่งที่พระพุทธศาสนาจะทำให้กับผู้ที่มีศรัทธา ความเชื่อแล้วก็มีภาษาท่ความเรื่มใสในคําสั่งคําสอนของพระพุทธพระเจ้าและพระอริยสงสาวุกของพระพุทธเจ้าเ mm hmm. มื่อนำมาไปศึกษานำมาไปปฏิบัติ mm hmm. ก็จะได้รู้วิธีของการสร้างความสุขทางใจและวิธีดับความทุกข์ทางใจ สิ่งที่เราวันนี้เราจะมาศึกษากันก็คือเรื่องของหัวใจของพระพุทธศาสนาว่าอะไรเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเป็นส่วนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ถ้าขาดองค์ประกอบที่สำคัญนี้แล้ว ก็จะไม่มีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมาและตั้งอยู่ได้ถ้าอยากจะให้พระพุทธศาสนานี้เกิดขึ้นมาและตั้งอยู่ไปนานๆก็จำเป็นที่จะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญที่เรียกว่าหัวใจของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาจึงจะปรากฏขึ้นมาได้ และอยู่คู่กับโลกนี้ไปได้เรื่อยๆตราบใดที่องค์ประกอบที่สําคัญของพระพุทธศาสนายังมีอยู่ครบบริบูรณ์<ม>หัวใจของพระพุทธศาสนาหรือองค์ประกอบที่สําคัญของพระพุทธศาสนาคืออะไร<ม>ก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ที่เป็น ส่วนประกอบที่ทำให้เกิดมีพระพุทธศาสนาขึ้นมาถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์พระพุทธศาสนาก็จะไม่สามารถปรากฏขึ้นมาให้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกอย่างพวกเราได้ร่าการที่เราจะรักษาพระพุทธศาสนา ให้อยู่มั่นคงต่อไปเราก็ต้องมาช่วยกันรักษาองค์องค์ประกอบหรือหัวใจของพระพุทธศาสนาให้มีอยู่กับเรื่องนี้ไปนานๆ mm hmm. องค์ประกอบที่เกิดขึ้นก่อนองค์ประกอบคือพระพุทธพระธรรมพระสงค์นี้องค์ที่ต้องเกิดเกิดขึ้นก่อนคืออะไร ก็คือต้องมีพระพุทธเจ้าตัดสรู้ก่อนต้องมีผู้ที่ศึกษาค้นคว้าหาความจริงเกี่ยวกับการดับความทุกข์ทางใจและการสร้างความสุขทางใจว่าจะต้องทำอะไรอย่างไรจะต้องรู้อะไรถึงจะสามารถที่จะ ตัดสั้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้และผู้ที่จะตัดสั้เป็นพระพุทธเจ้านี้ก็เป็นผู้ที่ต้องเป็นผู้ที่ค้นพบทางสู่การดับทุกข์ด้วยตนเองเพราะว่าในยุคก่อนที่จะมีพระพุทธศาสนาจะไม่มีใครรู้ว่าวิธีของการกำจัดความทุกข์ ที่มีอยู่ในใจนี้ให้มันหมดสิ้นไปจากใจได้อย่างไรไม่มีใครรู้ไปศึกษากับใครก็ไม่มีใครรู้วิธีที่จะทำให้ความทุกข์ใจของสัตว์โลกทุกทุกชนิดนี้ดับได้ดังนั้นผู้ที่จะมาค้นพบนี้ต้องเป็นผู้ที่ฉลาดผู้ที่มีความสามารถ ที่จะคิดค้นหาต้นตอสาเหตุว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาและอะไรที่จะนำไปสู่การดับความทุกข์ใจ mm hmm. ก็ต้องมีบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเช่นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเจ้าชายสิทธัตถะนี้เป็นพระราชาคูมาร เป็นลูกของกษัตริย์เป็นผู้ที่มีบา ร, รมีสั่งสมมาในอดีตชาติอย่างมากมายคือบา ร, รมีสิบประการได้ mm hmm. แก่เมตตาบา ร, รมีทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนคขมะบา ร, รมีโอเบคาบา ร, รมีปัญญาบา ร, รมี อธิษฐานบารมีสัจจะบารมีวิริยะบารมีและขันติบารมี mm hmm. นี่เป็นส่วนประกอบสำหรับผู้ที่จะมาตัดสร้เป็นพระพุทธเจ้าต้องได้บำเพ็ญบารมีเหล่านี้มาอย่างโชคชนที่เราเรียกว่าเป็นพระโพธิสัตว mm ์ hmm. พระโพธิสัตว์ก็คือพระผู้ที่ปรารถนาที่จะพบวิธีของการดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจว่าจะดับได้อย่างไรจะ ต, ต้องค้นพบว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจนั้นเกิดจากอะไรและเมื่อรู้สาเหตุแล้วก็จะหาวิธีที่จะมาระงับเหตุนั้น ถ้าลังกาเพุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจได้ความทุกข์ใจก็จะหายไปและการที่จะสามารถเข้าถึงสัจธรรมหรืออริยสัจสี่นี้ได้ต้องเป็นผู้ที่มีบารมีแ ก, ะกะ่ก็้บารมีทั้งสิบประการบาเพ็ญมาหลายภพหลายชาติด้วยกันกว่าที่จะ สร้างบรงารมีทั้งสิบนี้ให้ครบเพื่อที่จะได้เข้าถึงจัตจตธรรมความจริงของความทุกข์ของต้นเหตุของความทุกข์และของการดับทุกข์และวิธีการของการดับทุกข์ว่าดับได้อย่างไรดังนั้นสิ่งแรกที่จะต้องเกิดขึ้นในโลกนี้ ก็ต้องมีพระโพธิสัตว์อย่างเจ้าชายสิทธัตถะมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มาเห็นความทุกข์คือเห็นความทุกข์เวลาที่ร่างกายแก่เวลาที่ร่างกายเจ็บเวลาที่ร่างกายตายแล้วก็เห็นนักบวชผู้ที่สวงหาวิธีของการดับความทุกข์ พอเจ้าชายสิทธัตถะที่ได้บำเพ็ญบารามีเป็นพระโพธิสัตว์เพื่อที่จะได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ต่างๆพอได้มาเห็นเทวทูตสี<ม>เทวทูตสี่ก็คือคนแก่คนเจ็บคนตายและนักบวช<ม>พอเห็นแล้วก็เกิดปัญญาขึ้นมา เกิปัญญาเห็นว่าความทุกข์ที่มีในใจของพระองค์นี้ก็ทุกข์เพราะความแก่นี่ทุกข์เพราะความเจ็บ่ายได้ป่วทุกข์เพราะความตาย mm hmm. และการที่จะพบกับทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์นั้น mm hmm. ก็จําเป็นที่จะต้องออกบวช mm hmm. ไปเป็นนักบวชเมื่อได้ทรง เห็นเทวทูตสี่แล้วก็รู้ว่าต้องดำดำเนินการอย่างไรต่อไปหลังจากที่มาเกิดอยู่ในโลกนี้ได้ยี่สิบเก้าปีด้วยกันอายุยี่สิบเก้าปีก็ต้องสละราชสมบัติเพื่อที่จะออกไปบาเพ็ญบารมีที่ยังไม่ที่ยังขาดที่ยังไม่ครบ เธอที่จะได้พบกับความทุกข์เหตุของความทุกข mm hmm. ์และการดับของความทุกข์ว่าดับได้อย่างไร mm hmm. อง mm hmm. ค์ก็เลยต้องสละราชสมบัติในขณะที่มีพระชนมายุ29ปีแล้วก็จะเด็ดอ อ, อกบวชหน mm hmm. mm hmm. ีไป mm hmm. เพราะว่า ถ้าบอกให้ผู้่นทราบโดยเฉพาะพระราชบิดาก็คงจะไม่ได้อนุญาตให้ไปเพราะความหวังของพระราชบิดากับเจ้าชายสิทธัตถานั้นหวังให้เจ้าชายสิทธัตถะอยู่ครองราชต่อไปเพื่อที่จะได้ขยายอาณาเขตของของราชวงศ์ของราชาณาจักรให้กว้างใหญ่ไพศาล เพราะว่าตอนที่ประสูตรมาใหม่ๆมีพวกหมอดูโ ห, โ ห, โหราจารย์ทั้งหลายได้ทำนายว่าถ้าอยู่ครองราชก็จะได้เป็นพระมหาจารกพัฒนิแต่ถ้าได้ออกบวชก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระราชบิดาเห็นได้ยินถึงการทำนายอนาคตของเจ้าชายสิทธัตถะ ก็ไม่อยากให้เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชอยากให้เจ้าชายสิทธัตถะอยู่คองราดจึงทรงหวานล้อมเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะด้วยทรัพยากรต่างๆด้วยทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆทรงสร้างปราสาทสามฤ ด, ดูให้เจ้าชายสิทธัตถะได้อยู่ได้เปลี่ยนตามฤ ด, ดูกาล แล้วก็ให้มีบริษัทบริวารคอยรับใช้ถวายความสุขในทุกรูปแบบให้แก่เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะแาส่งห้ามไม่ให้คนแก่คนเจ็บหรือคนตายนี้เข้าไปในพระราชวงังแล้วก็ส่งห้ามไม่ให้เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเอาไปนอกพระราชวงังตามลำพัง ถ้าจะไปก็ต้องมีการจัดฉากเตรียมสถานที่กำจัดบุคคลที่ไม่พึงที่จะให้เจ้าชายสิทธัตถะได้ได้รู้ได้เห็นเจ้าชายสิทธัตถะก็เลยไม่เคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเวลาที่เสด็จออกนอกเวลาที่ออกนอกพระราชวาังเวลาไปทำภารกิจต่างๆเห็นแต่คนหนุ่มคนสาวคนที่มีสุขภาพแข็งแรง ก็เลยไม่รู้ว่าคนเราน่างกายของคนเราทุกคนนี้จะต้องเจอกับความแก่เจอกับความเจ็บแนละเจอกับความตาย mm hmm. แต่วันหนึ่งพระ อ, องค์ก็ทรงอยากจะออกไปเที่ยวโดยที่ไม่มีการเตรียมเตรียมการรับรับเสด็จ mm hmm. อยากจะออกไปแบบอยากจะรู้สภาพความเป็นจริงของชีวิตของคนหน้าพระราชวังว่าเป็นอย่างไร mm hmm. พอออกไปก็เลยได้ไปเห็นคนแก่เป็นข้างแรกเห็นคนเจ็บและเห็นคนตายและทราบจากมหาเล็กที่ติดตามไปว่าแม้แต่ร่างกายของพ่อองค์เองก็จะต้องเจอกับความแก่เจอกับความเจ็บและเจอกับความตายพอพ่อองค์ได้ทราบว่าต่อไปพ่อองค์ก็จะต้องเป็นคนแก่เป็นคนเจ็บเป็นคนตาย ก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาอย่างมากมายจนทาให้ไม่มีความสุขกับการอยู่ในพระราชวังต่อไปและนอกจากเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็ได้เห็นนักบวช ด, ด้วยได้เรียนรู้ว่าการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตายนี้จาเป็นจะต้องออกบวช ออกบวชที่จะได้ไปศึกษาไปปฏิบัติเพื่อที่จะได้ค้นพบวิธีที่จะทำให้ใจนี้ไม่ต้องมาทุกกับความแก่ทุกกับความเจ็บทุกข์กับความตายพระองค์จึงรอโอกาสที่จะออกจากพระราชวัง mm hmm. ก็ได้โอกาสในคืนที่พระมเหสีได้สงค้อพระราชโอรสให้กับพระองค์ มหาเล็กก็มากราบทูลให้ทราบว่าพระมเหสีได้ขอดพระโอรสออกมาแล้วพ<ม>อได้ยินก็ทรงแปลงว่าลาหุน<ม>ราหุนนี่แปลว่าบวก<ม>แต่มหาเล็กทรงมหาเล็กคิดว่าเป็นการตั้งชื่อให้กับพระราชโอรส<ม>พระราชโอรสก็เลยมีชื่อพระลาหุนมานับตั้งแต่ น, นั้น แต่ความหมายของท่านก็คือบ่วงได้เกิดขึ้นแล้วบ่วงที่จะรัดจิตใจของเจ้าชายสิทธัต ถ, ถะไม่ให้ออกบวช น, นั่นเองเพราะว่าเมื่อมีลูกแล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบต้องคอยเลี้ยงดูลูกอะไรต่างๆพระ อ, องค์จึงตัดสินใจว่าจะไม่ไปดูลูกไม่ไปพบเห็นหน้าลูกจะหนีออกจากเพราะวางไป ในคืนนั้นเลยโดยที่ไม่มีบอกใครมีพระมีเพียงมหาเล็กคนสนิทติดตามไปส่งที่ชายแดนเท่านั้นเองแล้วหลังจากนั้นพระ อ, องค์ก็ท่งไปบวชไม่โดยที่ไม่ได้บอกให้ใครทราบว่าพระ อ, องค์เป็นใครมาจากไหนแล้วก็ตั้งใจศึกษาปฏิบัติจิตของนักบวชก็คือการมีศีลที่บริสุทธิ์แล้วก็การฝึกจิตใจ ทำจิตใจให้สงบให้เข้าสมาธิในระดับต่างๆเช่นในระดับรูปฌานและอรูปฌานเพราะเวลาที่เข้าสมาธิในระดับรูปฌานหรืออรูปฌานจะทําให้ความทุกข์นั้นหายไปชั่วคราวเวลาเข้าไปในสมาธิความทุกข์เกี่ยวกับความแก่ความเจ็บ ค, ความตายนี้ จะหยุดทํางานชั่วคราวเพราะเวลาอยู่ในสมาธินี้ใจไม่มีโอกาสไปรับรู้ไม่ไปรับรู้ไม่ไปนึกคิดถึงเรื่องของความแก่เรื่องของความเจ็บเรื่องของความตายอง์ mm hmm. ก็เลยไม่มีความทุกข์ใจเวลาที่อยู่ในสมาธิ mm hmm. นั่นก็คือวิธีของการดับความทุกข์ใจของ นักบวชทั้งหลายในยุคที่ยังไม่มีพระพุทธศาสนาดับความทุกข์ได้ต้องเข้าไปในสมาธิเท่านั้นแต่เวลาออกจากสมาธิมาพอจิตออกมารับรู้เรื่องของร่างกายเรื่องของความแก่เรื่องของความเจ็บเรื่องของความตายความทุกข์ก็กลับคืนขึ้นมาใหม่แล้วก็ไม่มีใครรู้อาจารย์ต่างๆที่พระพุทธเจ้าไปทรงศึกษา ก็ไม่รู้ว่าจะดับความทุกข์ใจได้อย่างไรเวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิถ้าอยากจะดับความทุกข์ใจก็ต้องเข้าสมาธิไปเท่านั้นแต่เวลาออกจากสมาธิมาก็ต้องเจอเจอสรรคทุกข์ใจต่อไปไม่มีใครรู้สาเหตุว่าอะไรทำให้ใจทุกข์และจะทำให้ความทุกข์นี้ดับไปได้อย่างไรเมื่อไม่มีใครรู้ ไม่มีใครสอนวิธีของการดับความทุกข์ในขณะที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิ mm. ว่าดับได้อย่างไรมีวิธีดับหรือไม่อย่างไรไม่มีใครรู้ไม่มีใครค้นพบ mm. พระองค์เลยต้องไปศึกษาแล้วไปลองผิดลองถูกอยู่จนในที่สุดก็ทรงค้นพบความจริงของความทุกข์สี่ประการด้วยกัน mm. ที่เรียกว่าอริยสัจสี่ mm. ที่ จะบอกให้รู้ว่าความทุกข์เวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายนี้เกิดจากอะไรก็เกิดจากตัณหาความอยากของใจความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่เองเวลาแก่ก็ไม่มีใครอยากจะแก่กันพอเกิดความอยากไม่แก่ขึ้นมา ใจก็จะทุกข์ใจก็จะไม่สบายใจขึ้นมาเวลาที่เข้าไปในสมาธิเวลานั้นความอยากหยุดชั่วคราวหยุดทำงานชั่วคราวเพราะความอยากนี้ต้องใช้ความคิดปรุงแต่งเป็นผู้เป็นเครื่องมือแต่เวลาทำสมาธิเวลาเข้าไปในสมาธิความคิดปรุงแต่งนี้จะหยุดทำงานชั่วคราว เมื่อความคิดตรองต่างหยุดทํางานความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็ต้องหยุดทํางานชั่วคราวก็เลยทําให้ความทุกข์เกี่ยวกับความแก่ความเจ็บความตายหายไปชั่วคราวแต่พอออกจากสมาธิมาพอเริ่มรับรู้เรื่องของร่างกายเริ่มคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายขึ้นมาความทุกข์ก็กลับคืนมาเลยพองค์ก็ทรงค้น พิจาาก็คงค้นพบว่าเวลาที่ไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ไม่มีความทุกข์แต่พอเวลาที่มีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายปรากฏขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทันทีพระองก็เลยทรงรู้ว่าต้นเหตุของความทุกข์ใจก็คือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่เอง ก็ต้องหยุดมันให้ได้และการที่จะหยุดมันให้ได้ก็ต้องมีสมาธินี่แหละมีกำลังที่จะหยุดเพียงแต่ว่าไม่ต้องเข้าสมาธิเอาสติที่เป็นเหตุที่สามารถยับยั้งความคิดตุงแต่งนี้ให้หยุดคิดตุงแต่งงไปในทางความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายแล้วก็ต้องให้มีปัญญาสอนใจด้วยว่า เรื่องของความแก่ความเจ็บความตายนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติไม่มีใครที่จะมายับยั้งความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้เมื่อร่างกายเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายไปอย่างแน่นอนถ้าอยากไม่ให้แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะทุกไปเปล่าไปล่ถ้ายอมรับความจริงของร่างกายว่ามันต้องแก่มันต้องเจ็บต้องตาย ห้ามมันไม่ได้อยากไปก็ทุกไปเปล่าๆอันนี้แหละถึงจะทำให้ใจนี้หยุดความอยากได้หยุดความอยากด้วยเหตุผลด้วยปัญญาว่าอยากไม่แก่ไปอยากไม่เจ็บอยากไม่ตายไปก็หยุดความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้แต่กลับไปสร้างความทุกข์ทางใจให้เกิดขึ้นแต่ถ้ายอมรับความจริงว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บนละต้องตาย ยอมรับก็คือหยุดความอยากไม่แก่หยุดความอยากไม่เจ็บหยุดความอยากไม่ตายนั่นเองพอยอมรับก็หยุดหยุดความไม่อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายความทุกข์ในใจก็เลยหายไปแต่ความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายก็ยังอยู่ต่อไป <S <S> <S อ, ยอยู่ตามสภาพของมันไปจนถึงวาระสุดท้ายพอร่างกายถึงแก่ความตายร่างกายก็จะแยกสลาย ไปกลายเป็นดินน้ำลมไฟไปกลับคืนสู่าธาตุเดิมที่มาของร่างกายก็คือาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟพอถึงเวลาที่ดินน้ำลมไฟที่มารวมตัวกับร่างกายแยกตัวกันออกไปร่างกายก็เหมือนกับน้ำแข็งที่ละลายไปกลายเป็นน้ำไปน้ำแข็งนี่มันแข็งตัวขึ้นมาเพราะความเย็นทำให้น้ำเกาะกันเป็นก้อน แต่พอความเย็นหายไปความร้อนเข้ามาน้ำแข็งก็ละลายกลายเป็นน้ำไปร่างกายก็คล้ายๆกับน้ำแข็งเนี่ยเพียงแต่ว่านอกจากมีน้ำแล้วยังมีดินมีธาตุดินธาตุลมธาตุไฟมาผสมกันด้วยจึงทาให้เกิดมีอาการสามสิบสองของร่างกายปรากฏขึ้นมามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็น มีกระดูกเป็นต้นอาการเหล่านี้เกิดจากการรวมตัวของธาตุสี่ผ่านทางอาหารอาหารที่เรารับประทานเข้าไปก็มีส่วนประกอบของธาตุดินธาตุน้ำเป็นส่วนใหญ่ส่วนธาตุลมเราก็เอาเข้าทางจมูกลมหายใจเข้าออกธาตุไฟเราก็เอาจากแสงความร้อนจากแสงอาทิตย์เข้ามา พอมีครบทั้งสี่ธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุเหล่านี้ก็ไปก่อร่างเป็นอาการต่างๆเป็นเป็นเป็นเป็นผมบ้างเป็นขนบ้างเป็นเล็บเป็นฟันบ้างตอนต้นก็เป็นตัวเล็กๆแล้วก็ค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาจากเด็กทารกขึ้นมาเป็นเด็กใหญ่เด็กโตกลายเป็นอผู้ใหญ่ขึ้นมาตามลําดับไปเรื่อยๆ จนจเจริญเติบโตเต็มที่วัยกลางคนนี่ถือว่าเป็นเวลาที่ร่างกายจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วพอพ้นจากวัยกลางคนไปทีนี้ก็เริ่มนับถอยหลังธาตุสี่ที่มารวมกันเพื่อที่จะก่อร่างสร้างร่างกายนี้ขึ้นมาก็จะเริ่มอ่อนกำลังลงจะไม่สามารถที่จะรวมกันได้ต่อไปได้อีก ก็เริ่มค่อยๆเสื่อมลงไปร่างกายก็เริ่มเกิดอาการเสื่อมเนื่องจากกำลังของธาตุสีที่มารวมตัวนั้นอ่อนลงธาตุสี่เริ่มอยากจะแยกออกจากกันแล้วเมืม่อธาตุสีเริ่มมีการแยกออกจากกาันก็เกิดอาการอาภาษณ์เกิดอาการไม่สมายมเกิดขึ้นตามอวัยวะต่างๆอวัยว ะ, วะก็เริ่มเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ การทำงานของอวัยวะก็เริ่มเสื่อมลงไปตามการตามเวลาจนเมื่อถึงวัยชราก็จะเริ่มเข้าสู่ความตายกันร่างกายก็เริ่มทํางานเบาน้อยลงไปกําลังที่จะทํางานก็น้อยลงไปเนี่ยจนในที่สุดก็หมดกําลังไปพอหมดกําลังท่านลมก็ออกจากร่างไปไม่เข้าอีกแล้วท่านน้าก็ไม่เข้าอีกแล้วเพราะ เวลาไม่มีลมหายใจนี้ก็กิ่งไม่ได้ดื่มไม่ได้ธาตุที่เคยเข้ามาหล่อเลี้ยงมามาเสริมร่างกายมันก็ไม่มีมาเสริมนะมีแต่จะแยกตัวออกจากกันธาตุลมก็แยกออกไปธาตุไฟก็แยกออกไปธาตุน้ําก็แยกออกไปเหลือแต่ธาตุดินที่เป็นส่วนแข็งเช่นพวกกระดูก หนังที่แห้งกรอบเอาไว้นียว่าต่างๆที่แห้งกรอบไปแล้วทิ้งไปด้วยทิ้งไปทิ้งไปสักระยะหนึ่งแล้วมันก็จะเริ่มผุเริ่มเปื่อยเริ่มพังไปกลายเป็นดินไปในที่สุดอันนี้ก็คือเรื่องของร่างกายที่ไม่มีใครที่จะสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลง <c oughs> ความเป็นไปของมันได้ เมื่อมันเกิดมาแล้วมันก็จ ะ, จะเจริญเติบโตไปมันเป็นเรื่องของการทำงานของธรรมชาติของดินน้ำนมไฟ mm hmm. ตอนต้นก็เริ่มก่อตัวแล้วก็จเจริญเติบโตอย่างนั้นจเจริญเติบโ ต, ตเต็มที่แล้วก็เริ่มนับถอยหลังเริ่มเสื่อมลงไปตามการตามเวลาแล้วในที่สุดมันก็จะแยกออกจากกันไปไม่มีตัวตนในร่างกายนี้ มันเป็นการทํางานของธรรมชาติเหมือนกับต้นไม้ต้นไม้นี่เรารู้ว่าไม่มีตัวตนเรารู้ว่าต้นไม้ก็เป็นเพียงสิ่งที่เกิดจากดินน้ําลมไฟนี่การจะปลูกต้นไม้ให้โตขึ้นมาได้ก็ต้องมีดินมีน้ํามีอากาศ ก, าก็คือลมแล้วก็มีความร้อนคือไฟที่จะทําทให้ต้นไม้นี้จเจริญเติบโตได้ถ้าขาดธาใดธาตหนึ่งต้นไม้ก็จ ะ, จะเจริญไม่ได้ เช่นถ้าไปอยู่ในทะเลทรายนี้มีธาตุดินมีธาตุลมมีธาตุไฟแต่ไม่มีธาตุน้ำในทะเลทรายจึงไม่มีต้นไม้หรือถ้าไปอยู่ที่ขั้วโลกเหนือหรือขั้วโลกใต้เขาไม่มีต้นไม้เพราะที่นั่นมีธาตุดินมีธาตุน้ำมีธาตุลมแต่ไม่มีธาตุไฟมีแต่ความหนาวเย็นต้นไม้สิ่งที่มีชีวิตก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีชีวิตแต่ไม่มีดวงวิญญาณร่างกายนี้นอกจากเป็นสิ่งที่ทำประกอบ ด, ด้วยธาตุสีแล้วยังมีดวงวิญญาณเือใจธาตุรู้เข้ามาเข้ามาร่วมร่วมทากิจกรรมร่วมกันด้วยจึงทำให้ร่างกายนี้เคลื่อนไหวทำอะไรต่างๆได้ ไม่เหมือนกับต้นไม้นี่เขาเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนไม่ได้เขาอยู่กับที่เพราะไม่มีเวีย ญ, ญาณมาคอยสั่งให้เขาเคลื่อนไปที่นั่นขึ้นมาที่นี่แต่ร่างกายนี้มีดวงวิญญาณมีธาตุรู้ผู้รู้ผู้คิดเป็นผู้ที่มาสั่งการให้ร่างกายนี้ทําอะไรต่างๆแล้วก็มาหลงยึดติดกับร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนเป็นตัวของตนเอง ท้ารู้คือใจผู้รู้ผู้คิดนี่ไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราคิดว่าเป็นท่ารู้คิดว่าร่างกายเป็นท่ารู้แต่ความจริงแล้วร่างกายไม่มีท่ารู้มีแค่ท่าสีท่าดินน้ำท่าลมท่าไฟท่ารู้เป็นอีกท่านอย่งแยกออกจากร่างกายแต่ท่ารู้นี้มีความสามารถที่จะมาเชื่อมกับตาหูจมูกลิ้นกายของ ของร่างกายได้เพื่อที่จะได้รับรูปเสียงกลิ่นรสผลภทพะทที่เข้ามาทางตาหูจมูกนิ้งกายเพราะ้าลุนีมีความอยากอยากจะเสพอยากจะหาความสุขจากการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลภทพะทชนิดต่างๆเวลาได้เสพแล้วก็เกิดความสุขใจอิ่มใจชั่วคราวแต่เป็นความสุขใจอิ่มใจชั่วเชั่วประเดียวประดาเดียวมันก็หมดไป เอาหมดไปความหิวความอยากายาก็โผล่ขึ้นมาใหม่ใจก็เลยต้องมีร่างกายคอยตอบสนองความอยากอยู่เรื่อยๆอยากจะไปเที่ยวก็ต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงอยากจะไปดูละครไปดูภาพยนตร์อยากจะไปฟังคอนเสิร์ตหรือไปทาอะไรต่างๆตามความอยากก็ต้องมีร่างกายใจก็เลยไปยึดติดกับร่างกายไปรักไปห่งร่างกาย ก็อยากให้ร่างกายนี้แข็งแรงอยากให้ร่างกายนี้อยู่ไปนานๆไม่อยากให้ร่างกายแก่ไม่อยากให้ร่างกายเจ็บไม่ให้อยากให้ร่างกายตายอันนี้แหละความอยากที่อยากจะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือนี้จึงทำให้ใจนี้ต้องมาทุกขกับเรื่องของร่างกายทุกกับความแก่ทุกกับความเจ็บทุกกับความตายเพราะใจไม่อยากให้ร่างกายแก่เพราะอยากจะใช้ร่างกายไปเรื่อยๆ อยากจะมีร่างกายที่จะพาไปเที่ยวตามที่ต่างๆไปดูไปฟังอะไรต่างๆอยู่เรื่อยๆแต่พอรู้ว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายใจก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาเ<ม>พราะไม่อยากให้แก่ไม่อยากให้เจ็บไม่อยากให้ตายทั้งนี้<ม>อันนี้พระพุทธเจ้าทรงตัดสัลุทรงทรงค้นพบว่าความทุกข์อยู่ที่ใจเกิดจากความอยากให้ร่างกายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ก่อจากความอยากใช้ร่างกายไปเสบรูปเสียงกลิ่นลดผลตภะเท่านั้นเองถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องหยุดหยุดการเสพความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดต่างๆหยุดกามาตัญหาความอยากเสพกลามถ้าหยุดเสพกามได้ไม่เสพกลางอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องเสพกลามได้ก็ไม่ต้องมีร่างกายก็ได้ ไม่ต้องใช้ร่างกายร่างกายจะแก่ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะตายก็ไม่เดือดร้อน <c oughs> ปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายไปตามเรื่องของมันได้พ <c oughs> ระพุทธเจ้าก็ตอนนั้นก็ตอนที่ปล่อยร่างกายก็ปล่อยเพราะว่าไม่ต้องใช้ร่างกายก็มีความสุขได้มีความสุขจากการเข้าฌานเข้ารูปฌานและเข้าอารมณ์ฌปปานต่างๆ <c oughs> อันนี้ก็เป็นการ ดับความทุกข์ในระดับของร่างกายได้แต่ใจก็ยังไปติดอยู่กับความสุขของรูปประชานกับอรูปประชานอยู่พระพุทธเจ้าก็ทรงพิจารณาเห็นว่ารูปประชานกับอรูปปัจจางความสุขที่ได้จากรูปรรประชานอรูปประชาก็เหมือนกับความสุขที่ได้จากตาหูจมู ก, กลิ้นกายถ้าถ้ายังยังอาศัยความสุขจากรูปประชานอยู่ ก็อยากจะไม่ให้อยากรูปประชานะรูปปัจานเสื่ออยากจะให้รูปประชานนี้อรูปประชานนี้อยู่ตลอดเวลาแต่ก็ทำไม่ได้เพราะรูปประชานอรูปปัจานนี้ก็เป็นของชั่วคราวจะเข้าไปในรูปประชานแล้วสักพักก็ต้องถอนออกมาเข้าไปในอรูปประชานแล้วก็ต้องถอนออกมาเวลาถอนออกจากรูปปัจานหรือรูปปานความทุกข์ก็เกิดขึ้นได้ในใจ ทุกที่เกิดความทุกที่เกิดจากการขาดความสุขจากรูปประชานและลูกประชาพนพระองค์ก็ทรงพิจารณาเห็นว่าความอยากเสพ ร, รูปประชานความอยากเสพลูปประชานนี้ก็เป็นเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจเช่นเดียวกันก็เลยต้องเลิกต้องเลิกเสพต้องเลิกพึ่งรูปประชานและลูปประชานเพื่อให้ความสุขกับตนให้อยู่แบบที่ไม่มีความอยากจะดีกว่า พอเวลาสามารถหยุดความอยากได้ไม่มีความอยากใจที่ดิ้นรนก็จะสงบตัวลงโดยอัตโนมัติเมื่อใจที่ดิ้นรนสงบตัวลงความสุขก็เกิดขึ้นมาใหม่ความสุขที่เกิดจากการไม่มีความอยากอันนี้ก็เลยทำให้พระองค์นี้สามารถที่จะกําจัดความทุกข์ที่เกิดจากความอยากทั้งหมด ที่มีในใจได้หมดสิ้นไปความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก็ตัดไปหยุดไปเพราะมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ความอยากจะหาความสุขจากรูปประชานและรูปประชานก็เช่นเดียวกันมันก็เป็นความสุขที่ไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องเลิอกอยากเหมือนท่นั้นเองพอเลิอกอยากใจที่ไม่มีความอยากก็กลับ เป็นใจที่นิ่งสงบขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องใช้ใช้อำนาจของรูปประชาณหรืออนุ ป, ประชาณสงบโดยที่กำจัดความอยากตอนที่เข้ารูปประชานะรูปประชาณก็ใช้สติกดความอยากไว้เท่านั้นเองแต่ความอยากไม่ตายไปด้วยการด้วยกำลังของสติที่กดเอาไว้แต่ถ้าใช้ปัญญาวิเคราะห์แล้วเห็นว่ารูปประชาณและอนุปปชานนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ อย่าไปอยากอยากแล้วจะต้องทุกเวลาที่ไม่ได้เข้าไม่เวลาที่ไม่ได้เข้าฌานพอตัดความอยากทุกที่เกิดจากความอยากก็หายไปพอความทุกข์หายไปใจก็สงบสุขขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องอาศัยไม่ต้องอาศัยฌานให้ความสุขกับใจไม่ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะให้กับใจอาศัยการกําจัดความอยากต่างๆ ที่มีในใจให้หมดสิ้นไปเท่านั้นเองด้วยปัญญาที่เห็นว่าสิ่งที่ใจอยากเสพอยากได้ความสุขนั้นเป็นของชั่วคราว<ม>เป็นทุกข์<ม><ม>เพราะว่ามันมันไม่ได้อยู่อย่างถาวรตลอดเวลามีเจริญแล้วมันมีเสือ่อมเวลามันเสือ่อ ม, มก็จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมามก็เลยเลิกความอยากหาความสุขจา รูปเสียงเกิดลดเลือกหาความสุขจากการเข้าฌานอพอไม่มีความอยากของเหรืออยู่ในใจใจก็หายทุกข์ใจที่ไม่มีทุกข์ก็เป็นใจที่สงบที่สุขตลอดเวลาอันนี้เป็นความสุขที่ถาวรเป็นการดับความทุกข์อย่างถาวรดับด้วยการใช้ปัญญานี้สอนใจให้เห็นว่าทุกข์นี้เกิดจากความอยากของใจเท่านั้นเองอ พอหลังจากที่ได้ทรงตัดสรุปความจริงอันนี้แล้วกายของพระองค์ก็เบิกบานสงบนิ่งเย็นสบายตลอดเวลานับตั้งแต่ที่ได้ตัดสรุ้พระอริยสัจสีและสามารถละความอยากทั้งหมดที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้งไปได้กายของพระองค์ก็ไม่มีความทุกข์นองเหลืออยู่อีกต่อไปและเป็นการดับความทุกข์อย่างถาวร ไม่เหมือนกับการดับความทุกข์ด้วยกำลังของสมาธิที่เป็นาการดับความทุกข์แบบชั่วคราว<ม>แต่การดับความทุกข์ด้วยปัญญาด้วยการเห็นว่าสิ่งที่ใจอยากได้มาให้ความสุขคือรูปเสียงกลิ่นรสหรือรูปประชานและรูปประชานนี้ล้นเป็นใจลักทั้งนั้นล้นเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเมื่ออะไรที่มันไม่เที่ยงมันก็จะต้องทํามันก็จะต้องทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมา เวลาที่มันเสื่อมไปเวลาที่มันเปลี่ยนไปงั้นอย่าไปอยากกับสิ่งที่มันเสื่อมเสื่อมได้เปลี่ยนได้เช่นรูปเสียงกลิ่นรสมันเสื่อมได้เปลี่ยนได้มันมันมันดับได้หมดได้รูปประชานะรูปประชานก็เช่นเดียวกันอย่าไปอยากอยากเราจะทำให้ทุกข์เพราะว่าได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอได้คราวนี้แล้วเดี๋ยวก็อยากจะได้ใหม่เวลาไม่ได้ก็จะทุกข์ ตัดความอยากแล้วความทุกข์จะไม่มีหลงเหลืออยู่จากใจต่อไปอันี้คือการตัดสั้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสั้นวิธีของการดับทุกข์แล้วรู้ว่าอะไรเป็นเหตุของความทุกข์และรู้วิธีของการกําจัดเหตุของความทุกข์นี้กําจัดได้อย่างไรก็นําเอาไปเผยแพร่สั่งสอนให้กับผู้อื่นต่อไป ถ้าพระพุทธเจ้าทรงรู้แล้วทรงไม่ไปสั่งสอนรู้คนเดียวตัดสั้รู้แล้วก็อยู่เฉยๆไม่ไปสอนใครพระพุทธศาสนาก็ปรากฏขึ้นมาไม่ได้การตัดสัรู้ของพระพุทธเจ้าตามนําพังอย่างเดียวนี้ยังไม่สามารถทําให้มีพระพุทธศาสนาขึ้นมาได้พระพุทธศาสนาจะมีขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อพระพุทธเจ้าได้นําเอาความรู้ทีไ่ได้จากการตัดสั้รู้นี้ อ, อริยสัตตีนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไปและต้องมีผู้ที่สนใจที่จะยินดีศึกษาและน้อมนำเอาไปปฏิบัติเพื่อที่จะได้บรรลุถึงพระอริยสัจสี่เช่นเดียวกับที่พระเจ้าได้ทรงบรรลุทรงเห็นก็พอดีในยุคนั้นมีผู้ที่สนใจที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์เป็นจนํานวนมากนักบวชทั้งหลาย ที่มาบวชกันนี้ก็คิดว่าเมื่อมาบวชแล้วจะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้แต่ก็หลุดพ้นได้แบบชั่วคราวในขณะที่เข้าไปในสมาธิแต่ยังไม่สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างถาวรไม่มีใครรู้วิธีต้องรอให้มีคนฉลาดอย่างพระโพธิสัตว์มาตัดสรุปอริยสัจสี่มาเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาก่อนแล้วหลังจากเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ทรงตัดสินพระทย ว่าจะเผยแผ่ธรรให้แก่สัตว์โลกตอนต้นพระพุทธเจ้าก็มีความรู้สึกไม่อยากจะสอนเพราะเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ยากที่จะสอนให้ใหสัตว์โลกทั้งหลายละความอยากหยุดความอยา ก, กเพราะสัตว์โลกทุกชนิดนี้อยู่ในโลกนี้เพราะความอยากเพราะคิดว่าการทําะไรตามความอยากแล้วจะทําให้เกิดความสุขขึ้นมาแต่ไม่เคยคิดว่า การทำตามความอยากนี้ถึงแม้ว่าจะได้รับความสุขแต่มันก็เป็นความสุขชั่วคราวแล้วเมื่อความสุขที่ได้หายไปหมดไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ อ, อันนี้ไม่มีใครคิดไปไกลถึงขนาดนั้นคิดแต่ยากอยากจะได้อย่างเดียวอยากจะได้ทำนู่นทำนี่ดูนั่นดูนี่ฟังนู่นฟังนี่แล้วจะเกิดความสุขแต่ไม่ใครคิดว่าเวลาที่ มันหมดแล้วจะทาความสุขนั้นมันยังอยู่ต่อไปหรือไม่ mm. มันก็หายไปหมดไปเที่ยวเวลาไปเที่ยวก็มีความสุขกันพอ mm. กลับมาจากเที่ยวความสุขนั้นก็หายไปพอหายไปก็เลยต้องเกิดความอยากไปเที่ยวใหม่มันก็ต้องอยากไปเรื่อยๆ mm. แล้วมันก็จะต้องเจอวันที่มันไม่สามารถทำตามความอยากได้เวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บหรือเวลาร่างกายตาย มันก็ยังต้องเจอกับความทุกข์ในที่สุดอันนี้ไม่มีใครคิดกันคิดเพียงแต่ว่าขอให้ได้ทำตามความอยากอยากดูก็ต้องให้ดูให้ได้อยากฟังก็ต้องฟังให้ได้เพราะเวลาได้ดูได้ฟังแล้วก็มีความสุขแต่ไม่มองต่อไปว่าแล้วหลังจากนั้นอะไรจะเกิดขึ้นเวลาที่มันหมดไปความสุขหมดไปก็ต้องไปดูใหม่ไปฟังใหม่แล้วถ้าเกิดเวลาไปไม่ได้จะทำอย่างไรก็ต้องทุกข์ใจเท่านี้ อันนี้ไม่เคยคิดไม่เคยคาดกันคิดแต่คิดว่าทาได้ทำาในตามความสุขทาตามความอยากก็จะมีความสุขกันทั้งนี้อนตนพระเจ้าก็คิดว่ายากที่จะสอนคนให้เลิกความอยากเพื่อที่จะได้เจอกับความสุขการดับความทุกข์ที่แท้จริงก็ เ, เลยไม่อยากจะสอนแต่หลังจากที่ได้ไข้ควรอยู่ระยะหนึ่งแล้วด้วยความเมตตาก็เห็นว่าสารโลกนี้มี อยู่สี่ชนิดอยู่สี่ระดับด้วยกันระดับที่มีความรู้ความฉลาดที่สามารถที่สนใจที่อยากจะศึกษาปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ก็มีอยู่ระดับที่1ระดับที่สองระดับที่3มนี้มีความสามารถความรู้ความอยากลดหล้านกันไปแล้วก็มีพวกที่สที่ไม่สนใจไม่อยากรับรู้ไม่อยากจะเรียนไม่อยากปฏิบัติองค์ก็เลยส่ง จงมุ่งไปช่วยเหลือพวกที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์พวกที่อยากจะศึกษาอยากปฏิบัติ <Yes. S 1> เพื่อให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์โดยมุ่งไปที่พวกนักบวชเป็นกลุ่มแรกก่อนเพราะพวกนักบวชนี้เป็นพวกที่พร้อมที่สุดเพราะว่าเขาได้ปฏิบัติมาครึ่งทางแล้วเขาได้มีเขาได้ปฏิบัติศีลแล้วเขาได้ปฏิบัติสมาธิแล้วแต่สิ่งที่เขาขาดก็คือปัญญาพ <Yes. S 1> อ, อไปสอนเรื่องปัญญาให้กับ พวกพวกนักบวชทั้งหลายพอก็ได้ยินเรื่องของอริยะศาสตร์เรื่องของการละความอยากเพื่อดับความทุกข์เขาก็สามารถทําได้ทันทีในขณะที่ฟังธรรมไปเลยในขณะเดียวกันพอแสดงธรรมเสร็จก็บรรลุธรรมกันขึ้นมาเป็นจํานวนมากบรรลุเป็นพระอาหารขึ้นมากันอันนั้นแหละเป็นเป็นการปรากฏของพระ พุทธธรรมพระสงฆ์ขึ้นมาในโลกนี้ครบองค์ก็คือมีพระพุทธเจ้าผู้ตัดสัตว์กรรมแล้วก็เอาธรรมะที่ทรงตัดสัตวมาเผยแผ่ทําให้มีพระธรรมปรากฏขึ้นมาในโลกแล้วก็มีผู้ศึกษาพระธรรมคําสอนแล้วบรรลุเป็นพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าก็เลยมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์คือพระรัตนตรัยครบองค์พร้อมที่จะทําหน้าที่เผยแผ่ ทำสอนของพระพุทธเจ้าให้แก่ผู้อื่นได้อย่างกว้างขวางอันนั้นแหละคือการเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนาวันที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบองค์วันที่พระเจ้าตรัสรูน้นี่มีพระพุทธเพียงอย่างเดียวยังไม่มีพระธรรมยังไม่มีพระสงฆ์ปรากฏขึ้นมาในโลกนี้แต่พอพระพุทธเจ้าตัดสินใจว่าจะแสดงธรรมเผยแผ่ให้แก่ผู้ที่สนใจนำออาไปปฏิบัติ พอแสดงธรรมก็ปรากฏมีธรรมขึ้นมาในโลกนี้ขึ้นมามีพระธรรมปรากฏขึ้นมาให้แก่สัตว์โลกได้ได้รับรู้แล้วก็มีผู้ที่สนใจศึกษาพระธรรมที่พระเจ้าทรงสอนและวนำเอาไปปฏิบัติแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอริยสงสารุกระมาเป็นผู้ที่เห็นธรรมมีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจสี่เข้าใจในกฎของอริยสัจสี่เข้าใจในเรื่องของกฎของตายละ จึงทาให้จิตใจของท่านเหล่านั้นดับความอยากต่างๆได้หยุดความอยากต่างๆได้ทําให้ความทุกข์ใจที่มีอยู่ในใจหายไปหมดแล้วก็ทําให้ท่านเป็นผู้ที่สามารถที่จะมาช่วยพระพุทธเจ้าเผยแผ่พระธรรมคําสอนต่อไปอนี่แหละคือการเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนาต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบองค์ แต่พระพุทธศาสนาก็จะอยู่ไปเรื่อยๆตราบใดที่ยังมีพระพุทธธรรมพระสองฆ์อยู่ถึงแม้ว่าจะไม่มีพระพุทธเจ้าก็ไม่เป็นปัญหาเพราะว่ามีพระอริยสองฆ์สาวกเป็นผู้ที่สามารถที่จะเอาพระธรรมคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่สั่งสอนแทนพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้ามีมีความสําคัญก็ตอนที่ตัดเจรู้เป็นคนแรกเท่านั้นเอง พอหลังจอมทรงตัดทะลุแล้วถ่ายทอดความรู้นี่ให้กับผู้อื่นแล้วพระพุทธเจ้าจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะว่ามีผู้อื่นมาทําหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าได้แล้วคือมีพระ อ, อริยสงสาวกแล้วก็มีพระธรรมคําสอนที่ได้มีการจดจําเอาไว้และมีการบันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกพระ อ, อริยสงสารกก็จะสอนไปตามคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนั้นถ้าตาบใดศาสนายังมีพระ อ, อริยสงสาวก เอาคำสอนของพระเจ้าที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สว์โลกหลานนั้นศาสนาก็ยังสามารถทำหน้าที่นำพาสา์โลกให้ออกจากกองทุกข์แห่งการยืยนว่าตายเกิดได้การที่จะมีการที่จะมีพระอริยสงสาวกปรากฏขึ้นมาอยู่เรื่อยๆ ก็ต้องมีผู้ที่มีจิตศรัทธาเนื่อมใสในพระพุทธศาสนาที่จะเข้ามาศึกษาและนําเอาสิ่งที่ได้ศึกษาไปปฏิบัติแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอริยสง์สาวกต่อไปถ้าขาดการศึกษาขาดการปฏิบัติขาดการบรรลุธรรมต่อไปพระอริยสงสาวกที่มีเหลืออยู่ในโลกนี้ก็จะตายไปหมดพอตายไปหมดแล้วก็ไม่มีรุ่นใหม่มาทําหน้าที่ต่อ ถ้าไม่มีใครสนใจที่จะศึกษาไม่มีใครสนใจที่จะปฏิบัติตามคําสอนไม่มีใครบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระอริยสงสาวกขึ้นมาศาสนาก็จะเสื่อมไปแต่ถ้าตาบใดยังมีการศึกษาพระธรรมคำสอนมีการปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนอยู่แล้วก็มีการบรรลุมรรคผลนิพพานอยู่ตาบนั้นก็ยังจะมีพระอริยสงสาวก ที่จะมาทำหน้าที่ปลยกแผ่สั่งสอนาะทาอันประเสริฐให้แก่ชาวโลกต่อไปได้ถ้ายังมีพระอริยสงสารโลกอยู่ก็ยังจะมีพระพุทธศาสนาอยู่แต่ถ้าขาดการอริยสงสารลกแล้วถึงแม้จะมีพระศาสนาหมายถึงมีฐาวรวัตตุเช่นมีวัดมีโบสถ์มีเจดีย์มีพระไตรมิตแต่ไม่มีใครมาสอนก็จะไม่มีใครมาเรียน เพราะว่าเรียนเองก็ไม่เข้าเข้าใจญาติโยมเคยไปศึกษาจากพ่อไต่ปีดกเองดูไหมอ่านแล้วเข้าใจหรือเปล่าอ่านแล้วเข้าใจยากเหมือนวิชาเรียนทางการแพทย์นี่ก่อนจะเป็นหมอได้ก็ต้องไปเรียนตำราแพทย์ก่อนแล้วก็ต้องมีอาจารย์แพทย์มาสอนถ้าไปเรียนเองแล้วก็จะไม่เข้าใจจะไม่สามารถที่จะฝึกตัวเองให้เป็นแพทย์รักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ จำเป็นจะต้องมีอาจารย์คอยสอนด้วยต้องมีตำราเป็นเป็นเครื่องมือในการสอนแล้วก็มีอาจารย์เป็นคนสอนตำราอธิบายว่าตำราที่สอนนี้มีความหมายว่ายอย่างไรต้องทําอย่างไรถ้าให้นักศึกษานักเรียนไปศึกษาตามนาพังกับตำรานี้รับประกันได้ว่าจะไม่มีนักศึกษาแพ้จบกัน เ, เพราะว่าไม่รู้ว่าเรียนแล้วเรียนถูกหรือเรียนผิดก็ไม่ก็ไม่รู้ เขาไม่มีใครมาทดสอบมามาตรวจสอบดู ว, ว่ารู้จริงหรือไม่รู้จริงถึงต้องมีอาจารย์ศาสนาพุทธก็เหมือนกันถึงแม้จะมีตาํารามีพระไตรปิฎกอยู่ก็ตามแต่ถ้าไม่มีพระอริยสงสารผู้ที่รู้ธรรมผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมมาเป็นผู้เผยแผ่สั่งสอนผู้ศึกษาปฏิบัติก็จะอาจอาจจะศึกษาแบบผิดผิ ด, ผดถูกถูกก็ได้ แล้วก็อาจจะไปโมเมเหมาว่ารู้นั่นรู้นี่ขึ้นมาก็ได้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วต่อไปาศาสนาก็จะหดตัวลงไปและหมดไปในที่สุดเพราะว่าคนที่สนใจที่จะมาศึกษาก็จะไม่สามารถศึกษาและนำเอาไปปฏิบัติได้ให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้เพราะขาด ผ, ผู้สั่งผู้สอนที่รู้มรรคผลนิพพานว่าเป็นอย่างไร รู้ว่าวิธีการที่จะบรรลุมากผลนิพพานนี้จะต้องทำอย่างไรนดังนั้นสิ่งที่ถ้าเราอยากจะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานี้เราต้องทำนุบำรุงที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ mm hmm. ก็คือเราต้องสนับสนุนพระอริยสงสาวกให้ท่านมีให้มี มีเวลามีโอกาสมีเครื่องม้เครื่องมือในการเผยแผ่สั่งสอนธรรมะนะชาวพุทธเราก็ต้องมีศรัทธาความเนื่องใสในพระธรรมคำสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าแลนะเราต้องเป็นผู้ศึกษาและปฏิบัติแล้วก็บรรลุธรรมเองเมื่อเราบรรลุธรรมนะั้นเราก็จะได้เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมรู้วิธีของการดับทุกขอย่างถูกต้องแม่นยําว่าต้องดับอย่างไร อันนี้แหะถึงจะสามารถรักษาให้พระพุทธศาสนายั่งยืนอยู่ต่อไปได้ถ้าเราเพียงแต่ทําทานรักษาศีลเพียงอย่างเดียวนี้ยังไม่เพียงพอต่อการที่จะทําให้พระพุทธศาสนานี้ยั่งยืนถาวรได้ถ้าทุกคนมีแต่เอาแต่ทําทานเอาแต่รักษาศีลห้าศีลแไม่ยอมบวชกันไม่ยอมถือศีลแปดกันไม่ยอมปฏิบัติจิตตภาวนากัน ก็ไม่มีวันที่จะบรรลุปเป็นพระอาริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้ <Okay. S 1> ต่อไปศาสนาก็จะจางหายไปมีแต่ร่างของศาสนามีแต่วัดมีแต่บวชมีแต่เจดีย์มีแต่พระคำพีเต็มตู้อยู่แต่ไม่มีพระอาริยสงสาวกเลย mm hmm. เพราะว่าไม่มีผู้ที่จะสนใจปฏิบัติ mm hmm. ตามให้ครบบริบูรณ นอกจากทําทานรักษาศีลแล้วก็ต้องไปภาวนาเ<ม>จริญจิตตภาวนาสมถภ า, าวนาและวิปัสสนาภาวนาก็คือสุขสมาธิสุกสติให้ได้สมาธิได้สมาธิให้เข้าสู่รูปฌปานให้ได้ฌานขั้นต่างๆเมื่อได้ฌานขั้นต่างๆแล้วก็มาศึกษาให้ให้เกิดปัญญาให้เห็นอริยสัจ4ีให้เข้าใจหลักของอริยสัจสี ว่าทุกเกิดจากความอยากแล้วก็วิธีจะดับความอยาก ท, าทุกนี้ดับด้วยการหยุดความอยากการจะหยุดความอยากก็ต้องมีปัญญาเห็นไตรลักเห็นอนิจจังทุกขัของอนัตตาเัื่อจะสามารถที่จะหยุดความอยากได้และบรรลุเป็นพระอริยสงสาวกขึ้นมาได้นี่แหละคือวิธีที่จะรักษาให้ศาสนาอยู่ต่อไปต้องรักษาที่หัวใจของพระพุทธศาสนาก็คือต้องรักษา พระอริยสงสารุกให้มีอยู่ต่อไปอยู่เรื่อยๆถ้าขาดอริยสงสารุกแล้วก็จะขาดครูขาดอาจารย์ผู้รู้จรงิงเห็นจรงิงที่จะนําเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกนี้มาเผยแผ่สั่งสอนได้อย่างถูกต้องแม่นยําและพาให้ผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติตามนี้ได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องปฏิบัติแบบสุ ป, ปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เมื่อมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชาติก็ย่อมมีการบรรุมรรสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งตามมาเมื่อมีพระอริยะบุคคลแล้วก็จะมีผู้ที่จะมาคอยเผยแผ่ธรรมะสั่งสอนต่อไปอยู่เรื่อยๆเหมือนกับตั้งแต่ยุคตั้งแต่ที่พระเจ้าทรงตัดสั้นอุเจ้าก็ทรงมุ่งไปที่การสร้างพระอริยสงสาวกาุกขึ้นมาเผยแผ่ธรรมเพื่อให้เกิดอริยสงสาวุกขึ้นมา แล้วเมื่อมีอริอรยสง์สาวกก็ไปทําหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าเพื่อไปสร้างอริยสงสาวกรุ่นใหม่ต่อไปพอรุ่นใหม่เกิดขึ้นมาก็าไปทําหน้าที่ไปสอนอริยะไปสอนให้เกิดอริยะตามลําดับมาเรื่อยๆถ้าดามใดโลกนี้ยังมีการศึกษามีการปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระสงฆ์ของพระอริยสงสาวกอยู่ดานั้นพระรัตนไตยก็ยังจะอยู่กับในโลกนี้ไปเรื่อยๆ ถ้ามีพระรัตนตไยแล้วก็จะมีศาสนาอยู่ไปเรื่อยๆอย่างแน่นอนศาสนาไม่ได้อยู่ที่การสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างพระพุทธรูปต่างๆเพราะถาวรและวัตถุเหล่านี้ไม่สามารถสอนธรรมะให้แก่ผู้ที่สนใจศึกษาได้สนใจที่จะศึกษาปฏิบัติได้ เ, เพียงแต่สิ่งที่ลำลึกให้เราลำลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แท้ จ, จริงเท่านั้นเองแต่พระพุทธรูปนี้ไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้า เหมือนกับเครื่องนำลึกให้เราลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เนานำลึกถึงการการศึกษาการปฏิบัติการบรรลุเท่านั้นเองเวลาเราไปวัดนี่เราไปกราบพระเราต้องกราบเพราะเราเราอยากจะรู้ว่าเราเป็นชาวพุทธเราต้องทำอะไรบ้างการที่เราจะรู้ว่าเราเป็นชาวพุทธต้องทำอะไรนี่ไปกราบพระพุทธรูปเฉยๆนี่พระพุทธรูปบอกเราไม่ได้ เราต้งองไปกราบพระอริยสงสาวกุกท่านไปกราบพระอริยสงสาวกุกท่านยังสอนให้เรามันทำทานมันรักษาสีมันภาวนานกันให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อที่ได้จะทำประโยชน์ให้กับตนเองคือทำตนเองให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ก่อนเมื่อตอนเองได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วก็จะได้ไปทำประโยชน์ให้กับทัย์กับศาสนาต่อไปทำหน้าที่เป็นผู้เผยแผ่ธรรมะให้แก่ศาสนา ทำให้ศาสนาจะได้อยู่ต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนี่คือสิ่งที่เราต้องศึกษาและเข้าใจว่าหัวใจของพระพุทธศาสนานี้ก็คือการมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในโลกนี้นะครับสิ่งที่สำคัญก็คือต้องมีพระอริยสง์สาวกเพราะพระพุทธเจ้านี้ท่านก็จากไปแล้วแล้วท่านก็จะไม่กลับมาเหลือแต่พระธรรมกับพระอริยสงสาวกที่จะมาสามารถ สั่งสอนเผยแผ่ธรรมะให้แก่ผู้ที่สนใจได้เราก็ต้องเป็นผู้มาศึกษามาปฏิบัติเพื่อที่เราจะได้มาเป็นพระอริยะสงสาวกกันเพื่ที่เราจะได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหลุดพ้นจากความทุกข์หลังจากเราหลุดพ้นแล้วเราก็จะได้ไปช่วยผู้อื่นที่เขายังตกอยู่ในกองทุกข์ให้เขาได้หลุดพ้นตามมาตามลำดับต่อไปนี่แหละคือเรื่องของหัวใจของพระพุทธศาสนาที่เอามาฝากท่านในวันนี้ ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะาทาวาเวิวาหาปุราปริกปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิตโตจินางเบตานางอุ ป, ปการปฏิอิทิต่างปฏิต่างตุมหังคิดเปเมวะสมิจฉะตุสพัพเพปุเรนตุสงังปปา ดันโทปนะวาโสยธาเมณิโชติอะระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโวินัสสัตุมัเตภวะตวันตรารโยสุขีทีขายุโกภวะอะิวัตนะสีริศานิจังมุธาปะจายินุจตาโรธรรมาวาทานติ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 วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่คะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมะนาขุดจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติส6 2อิท่าน YouTube พระสุชาติ l ล v e 272 y o u t เจ็ดสิบสอง u ูทูบด็อร์วีหกิบ์ห้าวิทยุออนไลน์เจนาขุดหนึ่งร้ยสี่ิบดรวมทั้งหมดแ6ดรอหสิบเจ็ดท่านค่ ะ, ะถามอะไรเชิญถามได้ ขอการ์ดถามพระอาจารย์ครับที่เมื่อกี้พระอาจารย์เทศอะครับอยากจะเรียนถามว่าเราจําเป็นต้องจะปฏิบัติสมาธิครับจนถึงรูบประชานสี่ครับหรือลุบประชานก่อนไหมครับถึงจะมาจะเจริญปัญญาได้ครับถ้าคนที่ปฏิบัติยังไม่ถึงรูบประชานแล้วมาเจริญปัญญาเลยได้ได้ไหมครับได้แต่จะช่วยกิเลสไม่ได้คือไม่มีแรงไงเหมือนนักมวยครับถ้าต่อยเป็น แต่ไม่ได้พักผ่อนหลับนอนไม่ได้กินข้าวถ้าไปขึ้นเวทีมันก็ไม่มีแรงที่จะต่อกับผู่ต่อสู้เออนอกจากมีปัญญาคือรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกแล้วก็ต้องมีกําลังที่จะทําในสิ่งที่ถูกหยุดในสิ่งที่ไม่ถูกก็ต้องมีสมาธิต้องหยุดจิตให้ได้เพราะตัวจิตตัวเมันตัวที่เป็นทุกข์เป็นตัวกิเลสมนี่ยกิเล่มันอยู่ในจิตแล้วถ้าเราหยุดจิตไม่ได้เราก็หยุดกิเลสไม่ได้ แคั้นหยุดมันด้วยการเข้าสมาธิพอเราเข้าสมาธิได้แล้วทีนี้เรารู้แล้วว่าเราหยุดเราเราหยุดกิเลสได้พอเราใช้ปัญญาเห็นว่าความทุกข์เราเกิดจากกิเลสแล้วก็หยุดทําตามมันถ้าเราไม่มีกําลังถ้าเราหยุดกาหยุดกิเลสไม่ได้มีปัญญาก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วกันครับข้อสองครับอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ครับว่าการเจริญอาณาพัสตร พนัสติเนี่ยครับมันถือเป็นสติปัฏฐานสี่ใหมครับแล้วถ้าเราปฏิบัติอานามพนสติจนจิตรวมเป็นรูปรชาแล้วเนี่ยครับมันจําเป็นต้องมาเจริญวิสพุศสนาไหมครับหรือว่ามันจะเป็นการเจริญปัญญาโดยอัตโนมัติครับอ๋อไม่อัตโนมัติครับสติปัฏฐานสี่นี้สอนอยู่สามระดับด้วยกันระดับแรกให้เจริญสติเพื่อหยุดความคิดต่างๆระดับที่สองให้ไปนั่งสมาธิ อานาปนาสติด้วยอานาปนาสติให้เข้ารูปฌปานให้ได้พอได้รูปฌปานแล้วมีกําลังแล้วก็มาศึกษาปัญญาศึกษาธรรมชาติของร่างกายศึกษาธรรมชาติของเวทนาและศึกษาธรรมชาติของจิตอีกทีเพือเจรจาความอยากในร่างกายลาความอยากในเวทนาลาความอยากในจิตมันเป็น มันเป็นตำราที่สอนอยู่สามระดับด้วยกันระดับสติสมาธิแล้วก็ปัญญางั้นเราต้องทํำไปตามขั้นตอนเหมือนี่หนังสือเราต้องเรียนชั้นประถมก่อนแล้วก็เข้าสู่ชั้นมธัธยมจากชั้นมัธยมเราก็ต้องเข้าสู่ขั้นอุดมศึกษาตามลำดับต่อไปคหมายความว่าเราปฏิบัตินามัสตริติจนเป็นสมาธิแล้วเนี้ยก็ต้องมาพัฒนาปัญญาอีกนึงต้องมาดูร่างกายเที่ยงไม่เที่ยงครับเป็นตัวตนมีตัวตนหรือเปล่า หรือเป็นแค่ดินน้ำลมไฟครับแล้วเราจะได้ไม่หลงเราจะไม่ไปยึดประหยากให้มันเป็นอย่างนั้นไป น, นี้ตอนนี้เราไปคิดว่าร่างกายเป็นเราไงที่เราต้องศึกษาให้เห็นว่ามันไม่ใช่เป็นเราครับมันเป็นดินน้ำลมไฟเป็นเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ครับแล้วเราจะเจริญปัญญาก็ต่อเมื่อจิตแยกออกจากขันเราใช่ไหมครับอาจารย์พอาจารย์ไม่เวลาที่เราไม่ได้เข้าสมาธิไงตอนนี้เราตอนนี้ก็ลอง กำลังจเจริญปัญญากันอยู่คุยเรื่องปัญญาหาความจริงเกี่ยวกับตายรักตายรักของร่างกายตายรักของเมตนาตายรักของจิตถ้าเห็นมันเป็นตายรักก็จะได้ไม่ไปยุ่งกับมันไม่ไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะอยากแล้วก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้รเราก็หยุดอยากท่านั้นองหรุดไปยุ่งอยากอยากให้ร่างกายไม่แก่ก็ต้องไม่ไปยุ่งกับมัน เรอยากแล้วมัน <S 2> <S 2> <S มันห้ามความแก่ได้หรือเปล่ามันไม่ได้ใช่ไหมังก็ต้องแก่อยู่ดีถ้าไม่อยากถ้าอยากไม่แก่มันก็จะทุกข์ใจเราเห็นใจรักได้ก็ต่อมเมื่อจิตเป็นสมาธิถ้าเกิดยังไม่เป็นสมาธิเนี่ยมันจะเห็นไม่เห็นไม่ได้รักใช่ไหมครับมันเห็นแต่มันรับไม่ได้มันกิเลสไม่ยอมรับกิเลสไม่ยอมมันยังอยากไม่แก่อยู่นะอยากอยากเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่นั้ะแต่ถ้าเรามีมีสมาธิมีอุเบกขามีฌานแล้ว พอเราเห็นว่าความอยากของเราทําให้เราทุกข์เราก็หยุดความอยากไว้ให้มันแก่ไปไม่ต้องไปคอยย้อมผมไม่ต้องไปคอยแต่งหน้าดึงผิวดึงหน้าอะไรต่างๆเพราะดังไงเดี๋ยวมันก็มันก็ยกย่นอยู่ดีครับยอมรับความจริงหยุดความอยากความอยากมันอยากจะให้มันไม่ไม่มันฝืนความจริงเวลาเจ็บก็อยากจะให้มันหายพออยากให้มันหายมันไม่หายก็ทุกข์ทรมานใจ แต่ถ้าเวลามันเจ็บมั้งเจ็บก็เจ็บไปยินดีต้อนรับมันเราก็ไม่ทุกข์กับมันเวลาตายก็ต้อนรับมันยินดีต้อนรับความตายเพราะมันต้องตายไม่มีใครหลีกพ้นความตายได้เรายอมรับเราต้อนรับความตายได้เราก็ไม่ทุกข์กับมันแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิเราเราทำไม่ได้เราจะไม่ยอมต้อนรับ มันอยากจะขับไล่ให้ความตายหายไปขับไล่ความเจ็บให้มันหายไปยิ่งขับยิ่งทุกข์ใหญ่เพราะมันทําไม่ได้ครับขอบดังนั้นไปหยุดหยุดจินให้ได้ก่อนหยุดกินเล่นให้ได้ก่อนหยุดความอยากแบบชั่วคราวให้ได้ก่อนเข้าไปในสมาธิให้ได้ก่อนถ้าหยุดได้ชั่วคราวแล้วทีนี้มันใช้ปัญญามาสอนวิธีหยุดอย่างถาวรต่อไปเพราะทําไมเราต้องหยุดความอยากเพราะการทําตามความอยากพาเราไปสู่ความทุกข์นั่ง เพานัสความสุ ข, ข, สขครับขอบพระคุณครับพอาจารย์ครับคำถามจากคู่เราฟังน้ากุดคะ่ะคนที่ฝันบ่อยๆฝันสเปสปะทุกวันแสดงว่าเป็นคนที่ฟุ้งซ่านหากจะปฏิบัติธรรมฝึกสมาธิจะลำบากกว่าคนที่ไม่เคยฝันเลยใช่หรือไม่คะ ก็ไม่รู้แหละก็ลองทำไปสิไม่ต้องไปไ ป, ไปเปรียบเทียบมันเสียเวลามากมันถ้าเรารู้ว่าเราไม่มีสติเราก็ฝึกสตินั่งสมาธิไปถ้านั่งสมาธิจิตสงบได้ก็ก็ดีถ้าไม่ได้ก็ต้องพยายามทำต่อไปจะไปเปรียบเทียบว่าง่ายยากมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมันก็ต้องทำอยู่ดีทำเลยดีกว่าไม่ต้องมาตั่งเสียเวลานั่งเปรียบเทียบกับคนนั้นคนนี้ คำถามจาก youtube ดกร์ค่ะจิตใจวิญญาณคำใดมีความหมายอย่างไรครับจิตใจก็ตัวเดียวกันเป็นธาตุรู้ที่มีความรู้สึกนึกคิดนี่จิตใจวิญญาณก็เป็นส่วนความวิญญาณมีสองความหมายความหมายหนึ่งก็ตัวที่ไปเชื่อมใจให้ติดกับร่างกายนั่นเองคือวิญญาณวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเหมือนสายเสียบปลั๊กเนี่ สายไฟเสียบลักมีอยู่ห้าสายเสียบไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายจะได้รับรูปเสียงกิตรสจากตาจากตาหูจมูกลิ้นกายเข้ามาสู่ใจได้ mm hmm. เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างใจกับร่างกายคือวิ ญ, ญญาณในขันเ็าเรียกวิญญาณในขันวิญญาณในความหมายหนึ่งก็คือดวงจิตใจเนี่ยเวลาไม่มีร่างกายเราก็เปลี่ยนชื่อจากจิตใจไปเป็นดวงวิญญาณแทน คำถามจากย t u b e พระอาจารย์สุชาติค่ะคนที่หูหนวกเป็นใบเพราะอดีตชาติเคยขัดขวางการฟังเทศฟังธรรมใช่หรือไม่เจ้าคะไม่รู้หรอกไม่ได้ไปสนใจหรอกมันไม่ใช่เรื่องของเราแต่เราไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่หูหนวกก็รีบขยันฟังกันเถอะอย่าทำเป็นตัวเป็นคนหูหนวกเลยไม่เกิดประโยชน์อะไรต้องมันมันศึกษาธรรมฟังธรรมอยู่เรื่อยถึงจะได้ความรู้ความฉลา คำถามจากทางยูทูบพระอาจารย์สุชาติค่ะทางโลกมีคําสอนว่าอย่าทําตัวหงอเดี๋ยวคนอื่นมาเอาเปรียบแต่ทางธรรมให้ทําตัวอ่อนน้อมถ่อมตนควรทําตัวอย่างไรกับผู้ที่มาเอาเปรียบเราคะสาธุ ค, ค่ะเราก็อ่อนน้อมไปแต่เราไม่ให้เขาเอาเปรียบเราไม่เนี่เราก็รู้จักป้องกันตัวเราถ้าเราป้องกันได้เราก็ป้องกันถ้าป้องกันไม่ได้ก็ถือว่าเป็นกรรมของเราไป คำถามจากทาง Facebook ค่ะขั้นตอนการนั่งสมาธิแต่ละระดับเราจะรู้อย่างไรครับอาจารย์รู้เหมือนกินข้าวแต่ละแต่ละคำนะกินกี่คามันอิ่มขนาดไหนกินมากกินน้อยอิ่มมากอิ่มน้อยทําไปมันรู้เองไม่ต้องถามเนาะเรื่องพวกนี้ขอให้ทําเถอะนั่งถามไปจนวันตายก็ไม่มีวันรู้อยู่ดีต่อบไปกี่ครั้งมันก็ไม่ได้มันก็ไม่รู้อยู่ดีมันต้องปฏิบัติเขาเรียกสันทติโก รรมาอามุทธจาเป็นสันติโกผู้ปฏิบัติ<ม>ย่มพิสูจน์เห็นได้ด้วยตัวเอง<ม>อย่าไปเสียเวลาถามคนอื่นถามไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถามถามเรื่องที่ควรจะถามวิธีปฏิบัติปฏิบัติอย่างไรนี่ถามได้อยู่ออย่าไปถามว่าปฏิบัติแล้วผลจะเกิดขึ้นอย่างไรนี่ต้องปฏิบัติถึงจะได้รู้เอง ม, มีคำถามอีกไหม ตอนนี้ยังไม่มีค่ะมีใครอยู่ที่นี่อยากจะถามไหมถามได้นะตอนนี้แต่ห้ามถามหลังจากที่เราเลิกก็นนะพอเลิกแล้วนักจะชอบเข้ามาถามที่หลังอีกทีจึงไม่สามารถที่จะตอบได้เพราะไม่มีไมโครโฟนเสียงมันคล้อยตัแล้ามันเหนื่อยต้องตะแบงต้องตะแบงมันก็เหนื่อยแล้วก็ไม่สะดวกเพราะจะมีการเคลื่อนไหวมีการกระทาอะไรต่างๆกัน ต, ต่อไป ถ้ามีใครอยากจะถามก็เดินเข้ามาถามได้มีไมโครโฟนให้ถามยังไม่มีคำถามเข้ามานะยังค่ะยังไม่มีก็เท่านี้ก่อนเอามาเข้ามาแล้วเอามาเอามาคาเะข้ามาวันนี้หนเูเห็นความทุกข์ที่เกิดจากความอยากที่พระอาจารย์เทศนาวันนี้ได้ดีมากคะ่ะ แต่ว่าหนูแทบจะผ่านความปวดไม่ได้ค่ะพระอาจารย์เอาความปวดมันเป็นเรื่องของร่างกายเราทําอะไรไม่ได้มันจะหายมันก็หายเองมันไม่หายก็ต้องอยู่กับมันไปเราหยุดความอยากให้มันหายมันยังไอยู่กับมันไปหนูหนูพิจารณาว่าหนูไม่ไม่ใช่ร่างกายหนูแล้วก็อเดี๋ยวความปวดมันก็หายไปแต่มันก็แต่มันก็ปวด คมันอาจจะไม่ได้หายแบบทันใจเราก็ได้เราต้องใจเย็นๆเหมือนฝนตกเนี่ยเราจะไปสั่งให้ฝนมันอยู่ตามใจเราไม่ได้เดี๋ยวเราก็ต้องรอไปเดี๋ยวมันหมดแรงมันก็หยุดเองความจ็ตในร่างกายพอมันหมดแรงมันก็หยุดของมันเองแต่เราไม่ต้องไปทุกข์กับมันถ้าเราไม่มีความอยากให้มันหายยอมนับตังนไปอย่าไปรังเกียจมันอย่าไปไล่มันเจ้าค่ะนะ เวลเ<อ>ามันเจ็บแล้วเราทรามานก็ใช้พุโทโธพุธโทโธช่วยเจ้าค่ะพุโทโธพุธโทโธใช้สมาธิช่วยและใช้สติหยุดความอยากของเราได้เจ<อ>้าค่ะถ้าเราพุโทโธพุธโทโธเราก็จะลืมเรื่องความเจ็บไปแล้วความทรามานใจก็จะหายไปแต่ความเจ็บของร่างกายอาจจะไม่หายแต่ไม่เป็นไรเราจะอยู่กับมันได้อย่างสบายถ้าเรามีสติมีพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปเจ้าค่ะอาจารย์ ข้าใจนะเข้าใจเจ้าค่ะแต่อย่าประหยัดที่อยาบนิ่งทุกที่อยางนิ่งทุกใช้พุทโธแทนเจ้าค่ะพระอาจารย์ข้าวมาล้อาจารย์โอเคยูเกตค come in h e ฮ e มีชาวต่างชาติ Where are you from Uh, hello, uh, I'm visiting from California, California. and uh, I met a beautiful woman uh, that uh, I am starting to uh, a relationship with. And anyway, she has introduced me to Buddhism, which is actually something I studied about 20 years ago, and then I, I stopped, and now I'm, I'm starting it again. And I very much admire the religion. Um, I just have a couple of questions. Um, Okay, I I loved uh, like I I loved hearing about um, uh, you know the fact that uh, we need to kind of stop craving right. and um, craving is causing a lot of uh, problems and um, so many parts of Thailand the areas that really follow Buddhism um, I think people get along with each other well but I also uh, I visited a couple areas like. p a t a y a and then it seems like over there, something like Buddhism should kind of be enforced, because a lot of problems exist because people—it's almost like women and men are at war with each other, and there's such great chaos. And I think it could really benefit from enforced Buddhism. Unfortunately, Buddhism cannot be forced upon people. Ah, it has to be taken in by by their own will. Uh, it, has, it has to be taken by, by what? By their own will. You oh, have to be willing to take Buddhism. That's, that's a beautiful answer, actually. That, yeah. that answers my question. Okay, yeah. then, thank you very much. So, then, when when there's chaos in the place, usually m e a n people are not accepting Buddhism, ah. t h not practicing Buddhism. They let yeah. the craving mind take over their mind. May I ask one more question? Sure. Okay, so in Pattaya, uh, I just wanted to understand how people think, and um, I went to uh, talk with people—the the specific people who uh, you know I, I'm talking about. Uh, they go to the temples and the monasteries, and they claim to be b u d d h i s t but I feel like their behaviors are totally counter to what you've been teaching and what I've been reading in books. So. Well, you so can, they pretend to take it in. You or? can divide Buddhism or b u d d h i s t into two categories: uh -huh. non-studying non Buddhists and studied Buddhists. Ah. There are lots of people. Consider themselves to be b u d d h i s t but don't know the don't don't know anything about the teaching of the Buddha. That is a beautiful answer. Thank you so much. Mm -hmm. And uh, I'm sorry if uh, I'm wearing these are prescription. No e uh, no Yeah, that, that's so I can see you. Huh? Okay. But yeah, thank you for the wonderful, wise answers. I appreciate it. Thank mm -hmm. you. So it doesn't mean everybody in Thailand are real Buddhists. Thank you a You are a very wise man. Okay. <laughs> ถามจากทาง youtube ดกรฟีค่ะพอนั่งสมาธิเราฟุง้งเลยพยายามภาวนาพุโทโธนับเช่นพุโทโธหนึ่งพุโทโธสองพุโทโธ3ามไปเรื่อยๆก็มีสติรู้แต่ก็รู้สึกทึบปฏบริรู้สึกรู้สึกแต่ก็รู้สึกทึบผิดปกติไหมคะหรือต้องทํำยังไงคะก็ยังทําไม่พอเหมือนกินยา ย, ยังกินไม่มากพอต้องตินต่อไปเรื่อยๆ เดี๋ยวก็ไข้ก็จะหายเองถ้ายังทุกข์อยู่ก็สแสดงว่าเราต้องพุโทโธต่อไปจนกว่าจิตจะสงบแล้วทุกข์ก็จะหายไปถ้ายังไม่หายก็ต้องพุโทโธไปไเรื่อยๆเหมือนกินยาถ้าโรคยังไม่หายก็ต้องกินยาต่อไปกินไปจนกว่าโรคหายแล้วก็หยุดกินได้พอหลังจากโรคหายแล้วกินไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร ใช้พุโทโธไปจนกว่าความทุกข์ใจจะหยุดพอความทุกข์ใจยหยุดเราก็หยุดพุโทโธได้เพราะถ้าเราพุโทโธต่อไปมันก็ไม่ได้ทําให้ความทุกข์นั้นลดน้อยลงไปเพราะมันหมดแล้วมันไม่มีทุกข์รอดในช่วงนั้นก็เป็นต้องพุโทโธถ้ายังไม่หมดก็ต้องพยายามพุโทโธไปเรื่อยๆต้องใจเย็นๆคาถามจากทางยูทูบดรวค่ะ ระยะหลังที่ภาวนาโยมพบว่ายังมีแรงจูงใจในการปฏิบัติอยู่สม่ำเสมอน่าจะเกิดน่าจะเกิดความสงบระดับหนึ่งที่หล่อเลี้ยงจิตใจให้อยากปฏิบัติภาวนาอยู่ตลอดแต่ไม่ถึงกับลมหายใจหายไปเหมือนครั้งก่อนๆค่ะก็กทำไปเรื่อยๆนะไม่ใช่ทำปุ๊บจะได้ปั๊บการปฏิบัตินี้บางคนใช้เวลาเป็นสิบสิปีด้วยกันก็จะเข้าถึงจุดสงบได้อย่างเต็มที่ นันต้องพยายามอย่าลดละความพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่ไหนลดละวช่ไหมมีท่านนึงถามเข้ามาแต่ไม่แน่ใจว่าอ่านคําถามไม่เข้าใจค่ะเลยร อ, อให้ถามโอเคนะถ้าไม่มีแล้วก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา